ซาดีวิลุกรอบกุระ่าวศตวรรษเฟมร้ยหกัปปเจ้าพระมหาัายบูลอภิปุณโนจากวัดป่าดอนนาโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนางวิสาขาหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เราจะเคยได้ยินว่านางวิสาขา ถวายทานอย่างนั้นอย่างนี้นางได้สร้างวิหารชื่อนั้นชื่อนี้เรื่องราวนี้เป็นมาอย่างไรแต่ซึ่งในพระสูตรหลายๆพระสูตรก็ได้มีชื่อของนางเนี้ยปรากฏอยู่ทีนี้วันนี้ก็จะได้ให้ฟังเรื่องเดิมๆมาว่านางนี้มีกําเนิดที่ไหนมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีได้อย่างไรประวัติความเป็นมาของนางนั้นเป็นมาอย่างไรก็จะค่อยให้ฟังไปตีละตอนท่านผู้ฟัง วันนี้จะได้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นเด็กเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีจากเมืองราชครุย้ายมาอยู่ที่เมืองสาเกตแล้วก็แต่งงานไปเป็นลูกสะใภ้ของมิกราเศรษฐีอยู่ที่เมืองสาวัตถีในงานแต่งงานนั้นท่านคุณพ่อของนายวิสาขาคือท่านธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยก็ได้ทาเครื่องประดับที่ชื่อว่า และดามหาประสัดเรื่องประดับนี้มีลักษณะอย่างไรเราจะได้ฟังกันในวันนี้เรื่องของนางวิสาขาตุมฟังธรรมบทแปลเรื่องนางวิสาขาภาคที่สเรื่องที่40พระศาสดาเมื่อทรงเข้ า, าไปอาศัยกรุงสาบถีประทับอยู่ในบุปผารามทรงปรารกอุบาสิกา ชื่อวิสาขาตรัฐรธรรมเทศนานิว่ายะถาปิปุปพพ ร, ราสิมหากะยิรามาลาคุเลพะหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุสลังพะหุงแปลว่านายมาลาการพึ่งทำพวงดอกไม้ให้มากจากกองดอกไม้ แม้ฉันใดมัดจะสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพควรทำกุศลไวให้มากฉะนั้นตอนผู้มีบุญทั้งห้าในพัิยานกรอนดังได้สดับมานางวิสาขาอุบาสิกานั้นเกิดในท้องสุมนาเทวีภรรยาหลวง ของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรเมนะทกาะเศรษฐีในพัทยานิครแขวนังคะในเวลาที่นางมีอายุเจ็ดขวบพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของสัตว์ผู้มีเผ่าพันธุ์ที่พึงแนะนำเพื่อความตรัสรู้มีเสราบรามเป็นต้นมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร เสด็จจาริไปถึงนครนั้นก็ในสมัยนั้นเมนะทกะเกราปดีเป็นหัวหน้าของผู้มีบุญมากห้าคนครองตำแหน่งเศรษฐีอยู่ในเมืองนั้นชื่อว่าคนที่มีบุญมากห้าคนคือเมนะทกะเศรษฐีหนึ่งพระยาหลวงของเศรษฐีนั้นนามว่าจันทปัทุมาหนึ่ง บุตรชายคนโตของเศรษฐีนั่นเองชื่อตนันชัยหนึ่งปริยาของตนันชัยนั้นชื่อว่าสุมนาเทวีหนึ่งและคนใช้ของเมณทักกาเศรษฐีชื่อปุณ น, นะอีกหนึ่งใช่จะมีแต่เมณทักกาเศรษฐีแต่ผู้เดียวเท่านั้นก็หาไม่ว่าในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารก็ได้มีคนผู้มีโพกะ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 ครังนั้นพระาศาสดาทรงแสดงพระธรรมด้วยสามารถแห่งบุรพะจัญญาของนางในเวลาจบเทศนานางพร้อมด้วยหญิงห้าร้อตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลล้วฝ่ายเมนะทกกาเศรษฐีแลเข้าเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมกถาตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลล้ว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 ก็เสด็จเลียกไปตอนพระเจ้าเปรตที่โกศลอยากได้ผู้มีบุญก็โดยสมัยนั้นและพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าปรณที่โกศลต่างก็เป็นพระพัสดาของพระภคกกีนีกันและกันต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงดารีว่าคนมีโภคะนับไม่ท้วน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 แล้วทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาพระเหตุไรพระเจ้าโกศลจึงตรัสว่ามอมฉันมาด้วยประสงค์ว่าคนมีโพคะนับไม่ท้วนมีบุญมากทั้งห้าคนอยู่ในแครนของพระองค์ม่อมฉันจักพาเอาคนหนึ่งจากห้าคนนั้นไปขอพระองค์จงประทานคนหนึ่งในห้าคนนั้นแกมอมฉันเถิดพระเจ้าพิมพิสาร หม่อมจันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆย้ายได้พระเจ้เปชิตนิกโกสลหม่อมฉันไม่ได้ก็จะไม่ไปพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารทรงปรึกษากับพวกอมรท์แล้วตรัสว่าชื่อว่าการย้ายตระกูลใหญ่ๆมีโชติยสกุลเป็นต้นเช่นกับแผ่นดินไหวบุตรของเมนะทกะมหาเศรษฐีชื่อทนันชัยเศรษฐีมีอยู่ หม่อมฉันปรึกษากับเธอแล้วจะถวายคำตอบแก่พระองค์ดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เรียกธนัญชัยเศรษฐีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อพระเจ้าเปเสนที่โกศลตรัสว่าจะพาเอาเศรษฐีมีทรัพย์คนหนึ่งไปเธอจงไปกับพระองค์เธอธนัญชัยเศรษฐีก็เมื่อพระองค์ส่งไปข้าพระองค์ก็จะไปประชก้า พระเจ้าพิมพิสารถ้าเช่นนั้นเธอจงทำการตระเตรียมไปเถิดพ่อเศรีนั้นได้ทำกิจจำเป็นที่ควรทำของตนแล้วฝ่ายพระราชาทรงทำสการะใหญ่แก่เขาทรงส่งพระเจ้าเปรตที่โกศลไปด้วยพระดำรัสว่าขอพระองค์จงพาเศษีนี้ไปเถิดท้าเธอจึงพาถนัญชัยเศษีนั้น เสร็จไปโดยการประทับแรมราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวงเมื่อรู้ถึงสถานอันผาสุกแห่งหนึ่งแล้วก็ทรงหยุดพักตอนการสร้างเมืองสาเกตพราะนั้นทา น, นันชัยเศรษฐีทูลถามเ้าเถอะว่านี้เป็นแคว้นของใครพระชาปราพระชาประส็นธิโกศลของเราเองท่านเศรษฐี ทนัญชัยเศรษฐีก็เมืองสาวัตถีจากนี้ไปไกลเท่าไหรพระชก้าพระเจ้าเปชันดีโกศลระยะประมาณ7โยต์ทนัญชัยเศรษฐีก็ภายในพระนครครับแคบชนบริวารของข้าพระองค์มีมากถ้าพระองค์จะทรงโป ร, โรดใช้ข้าพระองค์พึงอยู่ที่นี่แหล ะ, ระพระชก้าพระราชาเมื่อทรงรับรองดังนั้นแล้ว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 เขาถูกมารดาบิดาพูดรบเร้าอยู่จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบด้วยความงามห้าอย่างก็จะทําตามของคุณพ่อคุณแม่มารดาบิดาก็ชื่อว่าความงามห้าอย่างนั้นอะไรละพ่อบุตรชื่อปุณณนะคือมีผมงามมีเนื้องามมีกระดูกงามมีผิวงาม มีวัยงามก็ผมของหญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับหางนกยูงกำปล่อยระชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี้ชื่อว่าผมงามริมฝีปากเช่นกับผลตำลึงสุขถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิท ด, ดีนี้ชื่อว่าเนื้องาม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 นีชื่อว่าผิวงามก็แล่หญิงแม้คลอดแล้วตั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวยังสาวปริ้งอยู่เทียวนีชื่อว่าไวยงามนังนี้แหละกระนั้นมานาบิดาของปุณณนะวัฒนกะุมารนั้นเชิญพรามร้อยแปดคนให้บริโภคแล้วถามว่าชื่อว่าหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยานีนี้ มีอยู่หรือพรามเหล่านั้นตอบว่ามีอยู่เซตีนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านพรามทั้งแปดคนจงไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นป่านนี้นางนี้แล้วก็ให้ซัพย์เป็นอันมากแล้วสั่งว่า<อ>ก็ในเวลาที่พวกท่านกลับข้าพเจ้าทั้งหลายจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่พวกท่านท่านทั้งหลายไปเถิด สแสวงหาเด็กหญิงแม้เห็นป่านนั้นและในเวลาที่พบแล้วพึ่งประดับพวงมาลัยทองคำนี้หนืงนี้แล้วก็ให้พวงมาลัยทองคำนั้นมีราคาแสนหนึ่งแล้วส่งไปปรามเหล่านั้นไปยังนครใหญ่ใหญ่สแสวงหาอยู่ไม่พบเด็กหญิงที่ตั้งด้วยลักษณะเบญจ ก, กัลยาณี กลาบมาถึงเมืองสาเกตโดยลาดับในวันมีงานนักษารตลึกเกิดขึ้นจึงคิดกันว่าการงานของพวกเราคงสาเร็จในวันนี้ก็เหนนะก่อนนั้นชื่อว่างานนักษารตล์กย่อมเกิดมีประจำปีในการนั้นแม้ตระกูลที่ไม่ออกภายนอกก็ อ, ออกจากเรือนกับบริวารมีร่างกายไม่ได้ปกปิด ไปสู่ฝั่งแม่น้ำด้วยเท้าเทียวในวันนั้นถึงบุตรทั้งหลายของคติยะมหาศารเป็นต้นก็ยืนแอบลตทางนั้นนั้นด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะได้พบหญิงมีตรกูลที่ปึงใจมีชาติเสมอด้วยตนจึงคล้องด้วยพวงมลาลัยตอนปรามพบนางวิสาขา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 ด้วยการเดินตามปกตินั่นเองผ้าและอาพรเปียกโชกพวกรามเห็นความงามสี่อย่างของนางแล้วพระสงค์จะเห็นฟันจึงกล่าวกับกันและกันว่าทิดาของพวกเราเป็นหญิงเฉอยชาสามีของหญิงคนนี้เห็นทีจะไม่ได้แม้เพียงข้าวปายเกลียนที่นั้นนาวิสาขา จึงพูดกับรามเหล่านั้นว่าพวกท่านว่าใครกันรามก็ว่าเธอนั่นแหละแม่ก็ได้ยินว่าเสียงอันไพเราะของนางเปล่งออกประหนึ่งเสียงกังสดานลําดับนั้นนางจึงถามรามเหล่านั้นด้วยเสียงอันไพเราะอีกว่าเพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันพวกราม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 พวกพ่อพระรามทั้งหลายพระราชาผู้อภิเษกแล้วทรงประดับประดาแล้วด้วยเครื่องอภรรต์้องปวงเมื่อถกขเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามย่อมได้ความกระหาเป็นแน่นอนว่าทำไมพระราชาองค์นี้จึงวิ่งเหมือนกระดาษดีค่อยๆเสด็จไปนั่นแหละจึงจะงามแม้ช้างมงคลของพระราชา ประดับประดาแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงจะงามบรรณชิตเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมได้แต่ความกระหาอย่างเดียวเท่านั้นว่าทําไมสมณะรูปนี้จึงวิ่งไปเหมือนเครหัดแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างอาการของผู้สงบสงี่ยมสตรีเมื่อวิ่งก็ไม่งาม ย่อมถูกเขาตีเตียนอย่างเดียวว่าทำไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชายแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดาพอทั้งหลายชนสี่จำพวกเหล่านี้เมื่อวิ่งไปย่อมไม่งามพวกปรามก็แล้วเหตุอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างไรล่ะแม่พิสา่ะพอทั้งหลายธรรมดามารดาบิดา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 พวงมาลายนี้สมควรแก่เตอเท่านั้นหนึ่งนี้แล้วจึงได้คล้องพวงมาลัยทองนั้นให้ลำดับนั้นนางจึงถามพวกเขาว่าว่ทั้งหลายพวกท่านมาจากเมืองไหนพวกปรามมาจากเมืองสาวัตถีวิสาขาระกูลเศรษฐีนั้นชื่ออะไรพวกปรามชื่อมิคาราเศรษฐีแม่วิสาขา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 ส่วนบิดาของนางวิสาขานั้นทรงรถไป500ห้ารอยคันนางวิสาขานั้นกับบริวารขึ้นรถไปแม้พวกพรามก็ได้ไปด้วยกันที่นั้นท่านเศรษฐีถามพรามเหล่านั้นว่าพวกท่านมาจากไหนพวกพรามมาจากเมืองสาวิตีท่านมาเศรษฐีตระใจเศรษฐี ก็เศรษฐีในที่นั้นชื่อว่าอย่างไรพวกปรามชื่อมิคารเศรษฐีทนชัยเศรษฐีบุตรของเขาชื่อว่าอย่างไรพวกปรามชื่อบุญวัฒน ก, กุมาทรทันชัยเศรษฐีก็ทราบของเขามีเท่าไรพวกปราม40โกดท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีนั้นรับคำด้วยคิดว่า ซับเท่านั้นเทียบซับของเราก็เท่ากับกากะนิกเดียวแต่จะประโยชน์อะไรด้วยเหตุอื่นจำเดิมแต่การที่นางทาริกาได้เหตุเพียงการรักษาเศรษฐีนั้นทำสการะแก่พวกรามเหล่านั้นแล้วให้พักอยู่สองวันแล้วก็ส่งกลับพวกเขาไปกรุงสาวะตีแล้วเรียนมิคาระเศรษฐีว่า พอข้ า, เขาพเจ้าได้นางธาริกาแล้วมิคราเศรษฐีเขาเป็นลูกสาวของใครพวกปรามของธนัญชัยเศรษฐีมิคระเศรษฐีนั้นคิดว่านางธาริกาแห่งตระกูลใหญ่อันเราได้แล้วควรที่เราจะนํานางมาโดยเร็วทีเดียวเนืงนี้แล้วก็จึงกราบทูลแก่พระราชาเพื่อไปในเมืองนั้น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 ทนั้งหลายจงจัดแจงเรือนหลังโน้นเพื่อพ่อผัวของเราหลังโน้นเพื่อพระราชาหลังโน้นเพื่ออุปราชเป็นต้นและนี้แล้วให้เรียกทาดและกรรมกรมาใชยการว่าพวกท่านเท่านี้คนจงทากิจที่ควรทำแก่พระราชาเท่านี้คนจงทากิจที่ควรทำแก่อุปราชเป็นต้นพวกท่านนั่นแล จงดูแลแม้สัตว์พหนะมีช้างและม้าเป็นต้นแม้คนปลูกม้าเป็นต้นมาถึงแล้วจะได้ชมมหรสยในงานมงคลถามว่าเพราะเหตุไรนางจึงจัดอย่างนั้นตอบว่าเพราะคนบางคนอยาได้เพื่อพูดว่าเราไปสู่ที่มงคลแห่งนางวิสาขาไม่ได้อะไรเลย ทำแต่กิจมีการเฝ้าม้าเป็นต้นไม่ได้เที่ยวตามสบายตอนเรื่องประดับมหาลดาประสาทในวันนั้นแหละบิดาของหนังวิสาขาให้เรียกช่างทองมาห้าร้อยคนแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงทำเรื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทแก่ธิดาของเราดังนี้แล้ว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 แห่งนางทาริกาเถิดไฟเศรษฐีนั้นจึงส่งข่าวไปทูลพระราชาว่าบัดนี้การฝนมาถึงแล้วใครๆไม่ควรเพื่อเที่ยวไปตลอดสี่เดือนได้การที่หมู่พลของพระองค์ได้วัตถุใ ด, ดๆจึงสมควรวัตถุนั้นๆทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระองค์พระองค์ผู้ส ม, มุติเทพจะเสด็จไปได้ ในเวลาที่้าพระองค์ทรงสเสด็จเดิมเดิมแต่กาลนั้นนละก่อนสาเกตได้เป็นนคกรราวกับมีนักษัตย์เป็นนิดวัตุมีพวงดอกไม้ของหอมและผ้าเป็นต้นเป็นของอันเศรษฐีจัดแล้วแก่ชนทั้งหมดตั้งแต่พระราชาแลชหลกพวกเรานั้นคิดกันว่าเศรษฐีทําสการะแก่พวกเราถ่ายเดียว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 เขาทํานกยูงตัวหนึ่งไว้ขนปีกทําด้วยทองห้าร้อยขนได้มีที่ปีกเบื้องขวาแห่งนกอยู่นั้นห้าร้อยขนได้มีที่ปีกเบื้องซ้ายจงไง่ทาด้วยแก้วประพานในตาทําด้วยแก้วมณีคอและแววหางก็เหมือนกันก้านขนทําด้วยเงินคาก็เหมือนกัน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 ย่อมทราบว่านกอยู่นั้นไม่ใช่นกอยู่จริงเรื่องประดับมีค่า9โกดท่านเศรษฐีให้ค่าทมหัตกรรมคือค่ากำหนดแส0หนึ่งและนั่นคือเรื่องราวของนางวิสาขาในเบื้องต้นท่านผูน้ฟังแังนี้ที่นี้อาจะมีที่สงสัยเพิ่มเติมอยู่นิดหนึ่งคือเรื่องตอนที่ไปขอลูกสาว ทีพวกปรามนี่ยเขาไปแต่พอขอกันแล้วมีการมั่นเอาไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยอันนี้คือประเบณีที่เขามีในสมัยนั้นพอมีการมั่นแล้วแม้จะเดินกลับไปเหมือนเดิมให้คนอื่นก็มองก็ไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องแบบมีการปกปิดไปก็คือขึ้นไปในรถคนที่ไม่มีรถก็ากางร่มบังหน้าตัวเองไว้คนที่ไม่มีร่มก็เอาผ้ามาบังหน้าเอาไว้เพอดีว่าอ่ะฉันมีคู่แจนะ ไม่ให้ใครเห็นต่อไปเรื่องของนางวิสาขานี้ก็ยังมีต่อท่านบุฟังในวันพรุ่งนี้จะนําเรื่องนี้มาอ่านให้ท่านบุฟังฟังอีก เ, เรื่องราวที่หลังจากที่เข้าไปอยู่ในสกุลของสามีแล้วมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวแล้วไว้พบกันในวันพรุ่งนี้ท่านบุฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูุ์อภิปุลโนเจริญปอน